ในวัดของเราพระในวัดของเราทั้งหมดอยู่สามสิบรูปแต่วันนี้ลงมาชั้น26ขาดไปส0บรูปวันนี้พระไม่ลงมาชั้นสิบองค์รู้สึกว่าบางตาโดยมากจะชั้นไม่ค่อยจะพร้อมกันอดไปบ้างชั้นบ้างแต่ขนาดท่านชั้นวันละมือ้อท่านยังอดอาหารเป็นการทดสอบเป็นการทดลอง เป็นการดูตัวเองเพราะว่าการที่พวกเราจะมาบวชมาปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าไม่ใช่มาหาความสนุกสุขสบายมาเพื่อศึกษาเรื่องจิตวิญญาณมาศึกษาเรื่องของใจเพราะหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาสูตรสำเร็จด้วยอไดรสำเร็จอะไรสำเร็จ อันไหนคือที่พระพุทธเจ้าจุดประสงค์ของพระพุทธะที่ได้ตัดสู้หรือว่าได้สําเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั้นนี่พวกเราได้ศึกษาค้นคว้าดูละเอียดถีท่วนแล้วก็คือใจพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาเรื่องของใจเพราะนั้นพระสงฆ์ที่มาบวชก็ต้องปฏิบัติตามแนวแถวนั้น เข้ามาบัวแล้วก็ต้องศึกษาเรื่องของใจอาหารการบริโภคการเป็นอยู่ก็ทำไปดูไปแต่ทางว่าเราทานอาหารจนอิ่มจนเกินไปก็ทำให้คิดอะไรไม่ออกเหมือนกันมีแต่ความง่วงเหงาเหานอนเข้ามาสู่ตัวของเราเพราะนั้นท่านจึงให้พยายามดูอดนอนผ่อนอาหาร จะถูกกับจริตไหนเพื่อจะได้ดูทางด้านจิตใจของตนเองใจของเราเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกถ้าใจของเราเป็นมีคุณภาพมีคุณธรรมดีแล้วหรือว่าใจชำระกิเลสอันบริสุทธิ์แล้วใจที่เราชำระด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาใจของเราเป็นพระอริยะ ตามขั้นอริยะบุคคลโสดาสกทาคานาคาอรหันอันนั้นพันว่าใจที่ชําระแล้วถึงขั้นบริสุทธิ์แต่ท่านบริสุทธิ์ได้นั้นมีวิธีกรรมอย่างไรมีวิธีการอย่างไรที่จะให้ถึงจุดนั้นได้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านวางพระศ า, าสนาเอาไว้สรุปแล้วก็คือพระพุทธศาสนาถ้าเราศึกษาเราจะจับมุมไหนเราจะจับ มุมของพระสูตรหรือจะจับมุมของพระวินัยหรือจะจับมุมพระประมัติหรือพระอภิธรรมหรือพระประมตธรรมเนี่ยคือสามกลุ่มกลุ่มแรก ค, คือกลุ่มพระสูตรความเป็นมาของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไรมาทาไมจึงได้มาเกิดจุกงกระเบิลพัฒพระพุทธองค์มีวงศาคนาญาตอย่างไร อันนี้ก็คือพูดไปแล้วก็กว้างขวางพะสูดุ์ถ้าอยู่ในพระไตรปิฎกที่ว่าสี่สิบห้าเล่มสี่สิบห้าเล่มก็ดีเก้าสิบเล่มก็ดีร้อยเล่มร้อยเล่มก็ดีถ้าจะว่าไปแล้วพัสูุ์เนี่ยโรยครึ่งมั้งนั้นทัยมากทีเดียวเกือบจะว่าสามส่วนเกือบว่าสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือพระวินัยกับพระปรมัธิธรรมนี่นะอันนี้ พวกเรามาพูดถึงเรื่องพระสูตรพระสูตรก็คือความเป็นมาทั้งหมดทั้งภาษาบกทั้งพร ะ, ระพุทธะความเป็นมาอย่างไรก่อนที่จะเข้ามาบวชแล้วก็ททำตนอย่างไรในขณะที่บวชประพุทธตนอย่างไรสํารวมกายวาจาอย่างไรขณะที่บวชต่อมาก็มาพูดเรื่องของศีลศีลก็คือสํารวมกายวาจากายคือการกระทำวาจาคือคาพูดของเราให้อยู่ในกรอบ ที่พระพุทธเจ้าได้วางเอาไว้คือพระวินัยการอยู่ด้วยกันมากมายหลายคนหลายองค์ในยุคสมัยนั้นก็มีพระเป็นหมืน่นเป็นหลายหายมืน่นที่มาอยู่ด้วยกันเพราะประเทศอินเดียกว้างขวา ง, วางเมื่อการอยู่ด้วยกันก็ต้องมีกฎกติกาพระพุทธเจ้าก็บัญญัติเรื่องวินัยในการอยู่ร่วมกันและแนวความคิดี่พระพุทธเจ้าสอนแนวความคิด แต่ตามไม่จริงจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าจริงๆที่ท่านใบค้นคว้าศึกษาเลยคือแนวความคิดที่ท่านได้ตัดสู้ธรำเลยคือแนวความคิดแต่ท่านี้จะไปพูดแต่แนวความคิดอย่างเดียวคือต้องการแก่นอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้เปลือกกระพีไม่เอาต้นไม้นั่นก็จะไปปลูกแก่นได้ยังไงมันก็ต้องเกี่ยวเนื่องกันในเมื่อเกี่ยวเนื่องกันก็คือพระสูตรพระวินัยพระประมัติธรรม มันต้องเกี่ยวเนื่องกันทั้งสามแต่จุดประสงค์คือต้องการเราปลูกไม้สักเราก็ต้องการแก่นแต่ไม่ใช่เอาแก่นมันมาปลูกมันต้องเอาเม็ดมันปลูกพอปลูกขึ้นมาแล้วก็ตนเป็นตนเล็กพอตนเล็กมันก็สร้างแก่นขึ้นมาอีกเลยนี่แหละอันนี้ก็คือพระไตรปิฎกที่พวกเราให้สังเกตได้ศึกษาดูแต่ถ้าว่าเราไม่พูดเกี่ยวเับพระสูตรจะเลยก็ไม่ได้ ว่าความเป็นมาเราไม่รู้ทางไปทางมาอีกเราจะไปพูดเรื่องแก่นอย่างเดียวไม่ได้เพราะไม่รู้ทางไปทางมาถ้าวารู้แนววิธีการทางมาแล้วตันึงมาพูดถึงกฎระเบียบกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันมากมายหลายๆคนจะทำยังไงกฎระเบียบจากนั้นเมื่อถึงกฎระเบียบเลงมาพูดแนวความคิดแนวความคิดคือจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ ต้องการแลมุ่งหวังจริงๆในหลักของพระพุทธศาสนานั้นคืออะไรแต่โดยมากพวกเราท่านทั้งหลายศึกษาแต่เรื่องอ่านแต่เรื่องพระสูตรแล้วกเรื่องกฎและเบียบแต่เรื่องปรมาถธรรมพอมาถึงจุดเรื่องจิตภาวนาแล้วต่างคนก็ต่างเอื่มคือว่าไม่สู้ใจไม่สู้เพราะเหตุไรเพราะกิเลสกับธรรมอยู่ในจุดเดียวกันถ้าว่าจะทาไปมากกิเลสมันก็คล้ายๆกับว่า มันต่อต้านต่อต้านธรรมเพราะว่ากิเลสเป็นอยู่ในจิตในใจของพวกเรานานเท่านานแต่เมื่อเราพยายามใช้ปัญญาได้ยินได้ฟังศึกษาศึกษาให้รอบด้านศึกษาให้รอบครอบศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่างกลัมต่างวาระในเมื่อเราศึกษาแล้วถ้าเราเป็นอยู่อย่างนี้มันมีแต่ ความทุกข์ยากลำบากเดี๋ยวกะกิเลสราคะเดี๋ยวกะกิเลสโทสะเดี๋ยวกะโมหะโลภโกรดหลง อ, อ, อยู่อย่างนีน้เกิดมาพบหน้าชาติหน้ามันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่แนวแถวของพุทธะที่ท่านได้ตรรู้ธรรมนั้นท่านว่ามันมีทางมันมีช่องทางที่จะออกไปได้เพราะนั้นการที่พระพุทธองค์ได้วางแถวแนวที่จะพ้นทุกข์ในวัะสงสารนั้น คันวางแถวแนวอย่างไรอันนี้พวกเราก็ควรจะศึกษาแหละท่านเลยควรจะศึกษาเข้าไปจุดนั้นถ้าว่าเราไม่ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่จะไปรู้ทั้งหมดเป็นไปไม่ได้อย่างรู้ภาษาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราก็รู้แต่ภาษาที่พ่อแม่เราสอนท่านเองถ้าเกิดในภาคกลางก็รู้ภาษาไทยถ้าเกิดทางอีสานก็รู้ทางภาษาลาวภาษาท้องถิ่น เกิดในประเทศไหนก็ต้องรู้ภาษานั้นเท่านั้นแต่ถ้าเราไปศึกษาเราก็ต้องรู้นี้ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นคุณว่าเป็นช่องทางในหลักของพุทธศ า, าสนาเราก็เนี่ยศึกษาตเรื่องพระสูตรความเป็นมาของพระพุทธเจ้าความเป็นมาของพระสาวกทั้งหลายจากนั้นก็มาศึกษาเรื่องกฎระเบียบการเป็นอยู่ร่วมกันในเมื่อศึกษากฎระเบียบแล้วศึกษาเรื่องแนวความคิด พระพุทธเจ้าให้คิดอย่างไรแต่ว่าเรื่องความคิดตัวนี้นะ่ะตัวนามธรรมตัวนี้นะ่ะเป็นเรื่องที่ขว้าน้ําเหลวนะถ้าว่าพวกเราพูดเนะ่ยคือเป็นนามธรรม ม, มันมองไม่เห็นถ้าว่าพวกเราไม่ได้ใช้ตามแนวแถวของพุท ธ, ธะแล้วพวกเราจะคิดจะเดาจะคาดคะเนจะคาดการเอามันผิดพลาดทั้งนั้นพระพุทธเจ้าต้องทาสมาธิไนงะที่เราได้รู้แจ้งเห็นจริงนะั้นเรานั่งสมาธิไนงะ เพราะนั้นพวกเราจะทําอย่างอื่นพวกเราขี้เกียจนั่งสมาธิตั้งใช้ปัญญาใช้แนวความคิดเอาเลยคาดกะเน่เดาๆเอาไปเลยอันนั้นมีแต่โดยมากไปแต่คว้าน้าเหลวใช่ใหม่ๆก็คิดถูกอยู่ต่อไปคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปก็เลยสับสนสับสนในแนวความคิดของตนเองไม่รู้จะเอาตัวไหนมาแก้กิเลสอีกต่างหากพราะเหตุใดเพราะมันมั่วกันไปหมดในจิตในใจของเราเพราะนั้นท่านจึงให้นั่งสมาธิ พอนั่งสมาธิจิตใจให้สงบซะก่อนเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งเป็นพื้นฐานแห่งความสงบแล้วจากนั้นก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาให้รู้จริงเห็นจริงรู้แจง้งเห็นจริงใจของเราติดข้องกับอะไรติดข้องกับอะไรพระพุทธเจ้าติดข้องกับร่างกายนี่แหะท่านว่าติดข้องกับร่างกายในเมื่อติดข้องกับร่างกายท่านก็ต้องให้พิจารณาร่างกาย แยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายดูซิอันนี้คือขั้นตอนในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะนั้นขอให้พวกข้ารัทธาญาติโยมโลูกหลานนะให้ศึกษาธรรมะแต่ทาไม่จริงในทางโลกนีท่านก็สอนท่านก็สอนการเป็นอยู่ด้วยกันจะทำสิ่งไหนอย่าไปทำด้วยอารมณ์อย่าไปทำด้วยความโกรธจะไปทำด้วย ฉันทาคติโทสากติโมหาคติพยาคติทำด้วยความเป็นธรรมการอยู่ด้วยกันจะมาพูดถึงเรื่องพวินัยอันนี้ก็ควรจะศึกษาเพราะว่าพวกเราเป็นอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องพูดเรื่องพวินัยกฎระเบียบการเป็นอยู่คือจะทำสิ่งไหนต้องทำด้วยความรอบครอบทำด้วยความพิจารณาให้รอบครอบในสิ่งที่เราจะจะพูดจะทา กับหมู่กับเพื่อนกับผู้คนผู้ใดก็ตามนี่หลกของพุทธศาสนาท่าน ใ, ใช้ปัญญาอย่างพระชาดกหลวงพ่อเนี่ยสอนสอนด้วยชาดกคือชาดกนั้นเป็นแนวความคิดคือเป็นตัวอย่างมาแล้วที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลคือพระสงฆ์ในยุคสมัยนั้นมีการทราะเลาะวิว้งกันกับใช้อารมณ์พูดโมโหโกธาตอกัน พระพุทธโอว่าต้องใช้ด้วยความรอบคอบนะต้องใช้โดยใจเย็นนะถ้าใช้ด้วยความใจเย็นแล้วจงค่อยมาพูดกันนั่นอาจจะเป็นหลักเหตุผลที่แท้จริงถ้าว่าใช้อารมณ์เข้ามาหากันแล้วมันจะไม่รู้ตัดสินใจออกไปอาจจะผิดพลาดได้ได้ง่ายพระองค์ก็เลยพูดวัดสมัยหนึ่งพระเจ้าพ ม, มาทัศของราชสมบัติกรุงพระนรศี สมัยนั้นพระประเจตพุทธเจ้าท่านอยู่ในป่าดอยคันธมาศท่านก็เห็นว่าหน้าฝนลําบากท่านก็ออกมาบิณฑบาตในกรุงพระราณสีพอพระเจ้าแป่นดินได้ทอดพระเนตรเห็นพระประเจตพุทธเจ้าเกลยดนิมนต์พระประเจตพุทธเจ้าไปอยู่ที่สวนอุทยานสวนของตนในมุมหนึ่งในมุมสงบแบบนั้นคือไม่ให้ใครเข้าไปกล่ากลายและไม่ให้ใครเข้าไปใกล้ ในจุดนั้นพระปฏิเจก็อยู่ด้วยความผาสุกอยู่ในนั้นพอต่อมาก็มอบใายในมังคระเป็นนายอุทยานดูแลพระปฏิเจกพุทธเจ้าให้ดีนะแล้วก็มอบหมายมอบฝังอะไรทุกอย่างดูแลอุปถัมปะถากพระปฏิเจกพุทธเจ้าพระปฏิเจกพุทธเจ้าอยู่ด้วยความผาสุกแต่ท่านคงคงจะรู้เหมือนกันว่าท่านคงจะมีกล้ำอะไรสักอย่างหนึ่ง ในการอยู่ในจุดนั้นแต่วันหนึ่งท่านก็บอกนายมังคระเนะ่ะเออเราจะได้ไปธุระนะสักสามวันไปสักสาวันเราจ ะ, จะกลับมาพ่อพระเจดบอกกับนายมังคระแต่ในนายมังคระก็ขับผมจากนั้นพ่อพระเจดก็ไปไปเยี่ยมอาการหรือว่าไปพบหมูพกเพื่อนของท่านนะจากนั้นท่านก็ท่านก็กลับมาไม่ได้ถึงสามวันนะในวันเดียวตอนเย็นนั้นก็กลับมา ไปแล้วท่านก็กลับมาพอกลับมาในมังคระเนี่ยก็วันนั้นญาติพี่น้องมาเยี่ยมบ้านตัวเองมาเยี่ยมบ้านตัวเองก็เลยไปทําเรื่องกราบถุนพระราชาบอกขอขอเนื้อสัตว์เพื่อมาเลี้ยงญาติพี่น้องสักตัวด้วยเทิดพระรากษชาอนุญาตอนุมัติจากนั้นเขาก็เนี่ยนายมังคระเนี่ยก็ถือธนูเข้ามาใน สวนอุทยานเหมือนกันดมดอมมองมองหาพวกสัตว์เหมือนกันนะพวกเก่งพวกกวางพวกนี่แหละท่านไปเห็นพระปฏิเจรพุทธเจ้าก็ท่านไม่ได้นั่งอยู่ในหินดานถ้ามันออกมานั่งข้างนอกดิพุ่มไม้มันร้อนมั้งม้โมปั๊มปับเห็นสีเหลือง น, นายมังคลาก็เหนียวธนูยิงปุดไปเลยไปถูกพระปฏิเจรพุทธเจ้าจำเม็ดเลยเหมือนกันอย่าแน่นายขมังธนูนะก็เลย ข้ไปกราบท่านโอ้ยพระปเจกพุทธเจ้าข้าพระองค์ว่าท่านไปสามวันนะ่แต่ทําไมท่านจึงกลับมาข้าปุข้าพระพุทธเจ้าไม่ขาดคิดไม่มีเจตนามแม้แต่น้อยเดียวที่จะยิงท่านแต่ว่าข้าพระเจ้าคิดว่าเป็นสัตว์เพราะท่านห่มผ้าสีเหลืองพอระปเจกบอกเออไม่เป็นไรเราให้อาภายัยอันนี้เป็นเรื่องของวัตถะท่านก็คงจะรู้วัดท่านมีกลมกับนายมังคระ เดชาทีแล้วท่านคงจะฆ่านายมังคระมาก่อนแล้วนะไม่เป็นไรเรื่องนี้เรื่องจบไปเลยนะไม่มีอะไรนะแต่ไม่มีอะไรก็เถอะทีนี้เพรานายมังคระเป็นผู้หญิงนายมังคระออกมาแล้วกันเนี่ยถ้าขืนอยู่ไปพระราชาต้องกดหัวเราแน่นายมังคระก็หอบลูกหอบภรรยานหนีหัวสุกหัวสุนเลยกันเถอะหนีไปหัวสุกหัวซุนพ่อนหนีไป ไกลแล้วก็ส่งข่าวมาทีไหนบอกว่าข้าพระพุทธเจ้าขอพบกับพระราชาด้วยขอเข้าไปกราบทูลเรื่องความเป็นจริงกับพระราชาด้วยข้าพเจ้าเป็นผู้ทําจริงๆได้ยิงจริงๆแต่ไม่ไม่กล้าอยู่ถ้าอยู่ไปก็ในขณะที่พระราชากําลังร้อนอยู่เดี๋ยวก็ตัดสั่งประหารได้ง่ายๆข้าพเจ้ากลัวจึงได้หลบหนีไม่ใช่หลบหนีความผิดหรอกข้าพเจ้าพร้อมที่จะรับความผิด แต่ไปทูลพระราชาพระราชาเฉยเหมือนกับหูไม่ได้ยินเหมือนกันพอมาอีกนานทำไม่ให้ไปทรงไปมาหาอัมมาตอีคืออมัมมัดเข้าไปทูลพระราชาย่านพระราชาก็เฉยอีกเหมือนหูม่ดินพอครั้งที่สามเข้าไปทูลพ้นนานเลยเถอพ้นานเข้าไปทูลพระราชาเอ้ามามันเรื่องเป็นยังไงเข้ามาเข้ามาทั้งขอบทั้งครัวแล้วงั้นเถะ ขอเข้ามาเข้าไปกราบผูนพระราชาพระราชาคนเธอไม่มีเจตนาพรไปกิกษพุทธเจ้าทำยังไงมันคงจะเป็นเรื่องของกรรมของท่านเราก็เข้าไปขออาภัยแล้วเนี่ยเราให้อาภายัยไหกลับมาทำสวนอย่างเก่านะต่นี้อามาตย์เหล่านั้นก็แปลกใจทั้งที่โทษถึงขนาดนั้นแล้วกลับยอมรับให้ในายมังคระเข้ามาทำสวนอีก ไปกลับทูลถามพระราชาทําไมพระองค์จึงได้รับง่ายๆถึงขนาดนี้ตั้งก่อนหน้านี้พระองค์เหมือนกับไม่ได้ข้าพระองค์ทูลเหมือนกับพระองค์ไม่ได้ยินเลยแต่คราวนี้ทําไมจึงรับรับทั้งตุนทั้งยวงเข้ามาเลยเพราะเหตุใดพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรายังมีอารมณ์ฉุนเฉียวยังโกรธอยู่แต่เราก็เลยเงียบเพราะ ใจของเรายัางร้อนอยู่ถ้าการพิจารณาคดีหรือว่าพิจารณาเรื่องอะไรก็ดีมันจะไปไปทางร้อนเพราะนั้นเราจึงระงับไว้ก่อนแต่บัด น, นี้ใจของเราเย็นแล้วแล้วก็เรียกนายอุทยานเข้ามาแล้วก็ถามดูมันก็เป็นอย่างที่คนทั้งหลายรับหูรับทราบตาม ท, ที่เราได้ทราบมาเพราะนั้นเราเห็นว่าเขาก็ไม่ใช่เป็นนักเลงหัวไม้ไม่ใช่ว่าจะเป็นคน ผิดทีเดียวเพราะความผิดพลาดเขาวนี่คล้ายๆกับว่าเขาไม่มีเจตนาเพราะนั้นเราจึงรับเขาแต่นี่แหละพระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายการที่จะพิจารณาสิ่งไหนก็าตามในอารมณ์ที่ยังร้อนอยู่อย่านำมาพิจารณาถ้าพิจารณาในขณะที่อารมณ์ยังโกรธอยู่จะทําให้การพิจารณาสิ่งนั้นผิดพลาดได้ง่ายผิดพลาดเป็นส่วนใหญ่ เพราะอารมอยังร้อนใจยังไม่เป็นกลางอันนี้ก็คือชาดกนะพวกเราอยู่ด้วยกันมากมายถึงจะมีครอบครัวสามีภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องสิ่งใดก็ตามถ้าว่าใจของเรายัางร้อนอยู่เรานำมาพูดจะนำมาคิดนำมาวิจารณ์ขณะที่ใจของเราร้อนๆอนเนี่ยมันผิดพลาดได้ง่ายๆเพราะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้นะ จะพิจารณาอะไรก็ตามให้ใจนิ่งซะก่อนให้ใจเย็นซะก่อนแต่บางคนกขาเบา อ, อ้ถ้ามันใจเย็นเข้าไปแล้วเนี่ยเรื่องราวมันก็ไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วอันนั้นเราก็ต้องดูกาลเทศะเหมือนกันการส ถ, ถานที่บุคคลอีกเหมือนกันแต่นี้ที่ท่านพูดน่ยคือนายอุทยานเนี่ยมันไม่น่าจะไปทางไหนถ้าท่านจะเอามาลงโทษก็คงได้แต่นี้ท่านมองดูแล้วเนี่ยแต่ท่านเป็นความผิดท่าน เราเอามาพิจารณาใ น, ในขณะนี้เราต้องตัดคอในมังคระแน่ๆใช่เพราะอารมณ์ท่านร้อนท่านรักพระประเจกพุทธเจ้าแต่เรื่องราที่เป็นมาเป็นไปนั้นยังไม่รู้ต้นปลายสาเหตุที่แท้จริงแต่พอมาสืบสอบดูแล้วยอมรับว่ามันเป็นความผิดพลาดของพระประเจกพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าท่านจะไปสามวันท่านก็กลับมาใช่นายขมังธ น, นูนี่ก็ เขาก็ไม่เจตนาแต่เขาก็ได้ทำแต่ก็บาปกรรมจุดนั้นที่เขาทำกันนั่นคงจะเป็นบาปกรรมในอดีตของทั้งสองท่านเราจะเข้าไปเข้าไปแบกไปอีกก็คงจะไม่ถูกต้องนี่แหละคือความตัดสินของพระราชาท่าก็เลยหยุดยุติในเรื่องนั้นลงนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันอยู่ในชุมชนสังคมประเทศชาติ จะทำสิ่งไหนก็ตามต้องให้รอบครอบสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้นะนิทานเรื่องนี้สอนให้รอบครอบอย่าไปใช้ใจร้อนจนเกินไปอย่าจะไปเย็นจนเกินไปถ้าเย็นจนแฉะจะไม่รู้จักอะไรอันนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันต้องใช้หลักเหตุผลในการอยู่ด้วยกันนะในวันนี้หลวงพ่อได้ให้แนวความคิดแก่พวกเราท่านทั้งหลายตั้งแต่เบื้องต้นพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไร มีพระสูตรมีพระวินัยมีพระอภิธรรมจุดมุ่งหมายของพุทธะที่ท่านต้องการจริงๆเหมือนกับปลูกต้นไม้หรือปลูกผลไม้เราต้องการอะไรถ้าปลูกผลไม้เราก็ต้องผ่านผลแต่ต้องการผลอย่างเดียวเราไม่ต้องการเปลือกอย่างนั้นใช่ไหมไม่ได้พระมันต้องอาศัยกันเมื่อปลูกขึ้นมาแล้วก็ต้องมีเปลือกมีกะพีมีเป็นต้นเป็นลำขึ้นมามีบำรุงต้นไม้ต้นนั้น จนมีดอกมีผลออกมาอันนี้คือเราต้องการผลแต่เราต้องการแก่นนะปลูกขึ้นมาแล้วก็ต้องอาศัยวันคืนเดือนปีจนต้นไม้ท น, นผลิตแก่นขึ้นมาได้เราจึงได้ใช้แก่นนะอันนี้ก็เหมือนกันนะพระสูตรพระวินัยอันนี้เป็นเปลือกเป็นกระพี้พระธระมัรธรรมเลยคือแก่นเราต้องการแก่นการแก่นแก่นของมันแก่นของพระพุทธศาสนาคืออะไรก็ต้องทําสมาธิอย่างที่ว่า ทำสมาธิทำจิตใจให้สงบในสกักก่อนแต่บางท่านบางท่านบางคนอา้าพระในครั้งพุทธการท่านมาเห็นเป็นนั่งสมาธิที่ไหนในท่านได้สำเร็จอันนั้นเราอย่าอย่าไปเมาทั้งหมดเพราะว่าบารมีของท่านะมากมายทำไมคนเกิดมาจึงไม่เป็นพระพุทธเจ้าทำไมมีองค์เดียวนะพระหรันสาวกเหมือนกันทำไมจึงไม่ได้ตัดสรุปทำเพราะฟังทำมาด้วยกัน มันแปลกแตกต่างกันเหมือนกับเด็กนักเรียนในห้องเรียนน่ทำไมมีเด็กนักเรียนเรียนเก่งทำไมมีเด็กนักเรียนหัวถุยหัวทื่ออยู่ในห้องเดียวกันทั้งที่คัดมาแล้วก็ยังเหนือกว่ากันอีกถ้าเอามารับมาเด็กนักเรียนทั้งหมดมาเรียนแล้วมันจะเหนือกันมากในการศึกษานี้ก็เหมือนกันถ่าองค์ไหนมีบา ร, รมีมาก่อนมีบุญบา ร, รมีมาเต็มเปลี่ยมแล้ว พรพุทธองค์พูดคำสองคำเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องมีศีลมีสมาธิใช้เพียงแป๊บเดียวนั้นศีลอยู่ในนั้นสมาธิอยู่ในนั้นและก็ปัญญาอยู่ในนั้นด้วยได้สาเร็จแล้วจบไม่ต้องมีอะไรยืดเยื้อแต่พวกทันทาปิ ญ, ญาทันทาพิญยาพวกรู้ได้ชาเนี่ยอันนี้พวกเราจะต้องศึกษาแนวทางของเราแต่บางคนการทำมาหาเงินทำมาหาเลี้ยงชีพ มันก็ต่างกันเหมือนกันแต่พวกเราเนี่ยจะใช้แนวความคิดผู้ที่เขามีปัญญาหาเงินมันจะได้เหรอเราก็ต้องทามาค้าขายเป็นตามที่พระพุทธองค์ได้สอนสอนหลายระดับพวกระดับนี้ควรทำยังไงระดับนี้ควรทำยังไงระดับที่ชั้นปัญญาชนพวกไอคิสูงควรทำอย่างไรพระพุทธองค์สอนหมด i อคิสูงยังไม่แล้วนะยังมีบารมีเก่าอีกนะเกื้อกูลหนุนอีก อีกส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศเรียกว่าให้พวกเราคิดนํามาปฏิบัติอันนั้นก็คือหลักธรรมที่สูงสุดของพุทธศาสนาคือความพ้นทุกข์จากนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับการอยู่ด้วยกันการอยู่ด้วยกันเนี่ยนะอารมณ์ร้อนอารมณ์โมโหโทโศโกธาจะพิจารณาจริงไหนจะพูดออกไปให้ระมัดระวังทําให้เสียหายได้ง่ายห ต้องให้ใจเย็นๆให้รอบคอบซะก่อนนี่แหละเป็นแนวความคิดที่หลวงพ่อให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นแนวความคิดของพระพุทธศาสนาต่อ น, นี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร น, นัตตนีนะรับพร